ความน่าพิศวงของกรรมกรรมหมายถึงการกระทาคาว่ากรรมในพระพุทธศาสนาเป็นคําที่มีความหมายเป็นกลางหมายถึงการกระทาไม่เจาะจงบ่งเป็นการกระทาที่ไม่ดีอันเป็นกรรมที่ไม่ดีเป็นบาปกรรม หรือเป็นอากุศลกรรมและไม่เจาะจงบ่งเป็นการกระทำดีอันเป็นกรรมดีเป็นบุญยกรรมหรือเป็นกุศลกรรมคําว่ากรรมนั้นทั่วไปใช้ในความหมายว่าความไม่ดีเช่นเดียวกับคําว่าบาปกรรมและอกุศลกรรมจึงเท่ากับทั่วไปใช้คําว่ากรรมเป็นคําย่อของกรรมไม่ดีหรือบาปกรรมหรืออกุศลกรรม อำนาจของกรรมใหญ่ยิ่งที่สุดพุทธศาสนาสุภาษิตมีว่าวโัโสอิสริยงโลเกตอำนาจเป็นใหญ่ในโลกในบรรดาอำนาจทั้งปวงในโลกอำนาจของกรรมใหญ่ยิ่งที่สุดอำนาจเป็นใหญ่ในโลกและไม่มีอำนาจใดเสมออำนาจของกรรม กรรมดีมีอำนาจในทางดีกรรมไม่ดีมีอำนาจในทางไม่ดีคนดีมีอำนาจยอมใช้อำนาจในทางดีเปรียบเช่นคนดีมีอำนาจยอมใช้อำนาจในทางดี ก่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นคนไม่ดีมีอำนาจย่อมใช้อำนาจในทางไม่ดีก่อให้เกิดความทุกข์ความร้อนทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นคนดีมีอำนาจในทางดีผู้ทำกรรมดีจึงมีอำนาจในทางดีย่อมใช้อำนาจนั้นก่อความร่มเย็นเป็นสุข ให้เกิดทั้งตนเองให้เกิดทั้งแก่ผู้อื่นคนไม่ดีมีอำนาจในทางไม่ดีผู้ทำกรรมไม่ดีจึงมีอำนาจในทางไม่ดียอมใช้อำนาจนั้นก่อความทุกข์ความร้อนให้เกิดแก่ตนเองให้เกิดทั้งแก่ผู้อื่น กรรมเป็นของของตนความเจริญรุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุขก็ตามความตกต่ำทุกข์ร้อนก็ตามย่อมเกิดจากกรรมย่อมมีกรรมเป็นเหตุให้เกิดแน่นอนเสมอไปผลดีทั้งปวงย่อมเกิดจากกรรมดีมีกรรมดีเป็นเหตุผลไม่ดีทั้งปวงย่อมเกิดจากกรรมไม่ดีมีกรรมไม่ดีเป็นเหตุ กรรมของผู้ใดผลย่อมเป็นของผู้นั้นผลจะไม่เป็นของผู้อื่นผู้ใดทำกรรมดีผู้นั้นย่อมจะได้รับผลดีเป็นความเจริญรุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุขผู้ใดทำกรรมไม่ดีผู้นั้นย่อมได้รับผลไม่ดีเป็นความตกต่ำเป็นความทุกข์ร้อน ผลแห่งกรรมย่อมตรงต่อเหตุที่กระทาไว้อำนาจของกรรมทั้งใหญ่ยิ่งทั้งล้าลึกยากที่สามัญชนคนทั้งหลายจะเข้าใจได้ถูกแท้แต่แม้ผู้ใดจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ตามยอมไม่พ้นผลของกรรมที่ตนกระทาแล้วได้ยอมต้องได้รับผลของกรรมที่ตนกระทาแล้วทำกรรมดีใด จะได้รับผลของกรรมดีนั้นทากรรมไม่ดีใดจะได้รับผลของกรรมไม่ดีนั้นแน่นอนเสมอไปผลที่เกิดแต่กรรมใดย่อมตรงกับกรรมที่เป็นเหตุแห่งผลนั้นเสมอเช่นความขี้โรคย่อมเกิดแต่ความเบียดเบียนความขี้โรคเป็นผลอันตรงกับกรรมที่เป็นเหตุ คือความเบียดเบียนความเบียดเบียนเป็นการทำให้เกิดความไม่เป็นสุขความขี้โรค ก, ก็เป็นความไม่เป็นสุขผู้ทำเหตุคือความเบียดเบียนก็ยอมได้รับผลเป็นผู้ขี้โรคผลย่อมตรงต่อเหตุดังนี้ผู้ไม่เบียดเบียน เป็นผู้มีอายุยืนความมีอายุยืนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงย่อมเกิดแต่ความไม่เบียดเบียนความมีอายุยืนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเป็นผลที่ตรงกับกรรมที่เป็นเหตุคือความไม่เบียดเบียนความไม่เบียดเบียนเป็นการทำให้มีความสุขความเจริญอายุความมีอายุยืน มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเป็นความสุขความเจริญอายุผู้ทำเหตุคือความไม่เบียดเบียนก็ยอมได้รับผลเป็นผู้มีอายุมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงผลย่อมตรงต่อเหตุดังนี้ผู้มีศีล จิตใจจักเบิกบานผิวพรรณผ่องใสความมีหน้ามีตาเบิกบานแช่มชื่นผิวพรรณผ่องใสงดงามย่อมเกิดแต่ความมีศีลความมีหน้าตาเบิกบานแช่มชื่นผิวพรรณผ่องใสงดงามเป็นผลที่ตรงกับกรรมที่เป็นเหตุคือความมีศีล ความมีศีลเป็นการทําให้มีจิตใจเบิกบานแจ่มใสเป็นสุขความมีหน้าตาเบิกบานแช่มชื่นผิวพรรณผ่องใสงดงามแสดงถึงความมีจิตใจเบิกบานแจ่มใสเป็นสุขผู้ทําเหตุคือความมีศีลก็ย่อมได้รับผลเป็นผู้มีหน้าตาเบิกบานแช่มชื่นผิวพรรณผ่องใสงดงามผลย่อมตรงต่อเหตุ ดังนี้